Book 2 38ามในรถแท็กซี่ในรถแทกซี่ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยค่ะไปสถานีราคาเท่าไหร่คะ ไปสนามบินราคาเท่าไหร่คะคารุณาตรงไปค่ะขวานอั e บีฟ์รักยิดฟูร์ r ครุณาช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะด a อว์อัศบีฟ์รักซ s การุณาช่วยเลี้ยวสายตรงหัวมุมค่ะรอยอสบลิฟลังค์อบดิยุกดิฉันรีบแอคอสฮอสเ ด, ดิฉันมีเวลาแอคฮิตไทกการุณาขับช้าลงได้ไหมคะรอยอสบลิฟสตาร์ช คารุณาจอดรถที่นี่ค่ะ Stop e hier. <S <S Wag e a s, <S, <S b e l i e f h i e r e รุณารอสักครู่นะคะ Wait a s b e l i e f e e moment เดี๋วดิฉันกลับมาค่ะ Axel d a d e l i k terugkom ขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะ Here asbelieve f r my a c c o t a n i e ดิฉันไม่มีเงินทอนไไม่เป็นไรที่เหลือนี้ให้คุณค่ะขขับไปส่งดิฉันตามที่อยู่นี้ค่ะขับไปส่งที่โรงแรมของดิฉันด้วยค่ะ กันไยนใหมนอดีฮูเตลเนียมขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะกันยายนหมนอดีสตรันท์เนียม